แถวนี้เราก็อยู่ในสายหมอกเนะ่ยเิญขึ้นมาก็น้ำค้างเต็มเต็มนะโยชีบอกว่าเต็นเงือกออกภาษาจีนอยู่ดีเต็นก็มีน้ำหยดลงไปข้างในเต็น ก็พวกเราก็เก yeah, well ่งกันนะเดินมาถึงบ้านห้วยช้างคำได้ก็เกือบทุ่มหนึ่งระยะทางก็น่าจะรวม30กว่ากิโลนิดนิดน่ที่จริง30กิโลนะก็ดูเหมือนไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยมันก็เดินได้สบาย อันนี้ก็ซึ้นเขาหลายรูปนะข้ามน้ำหลายเส้นนะแต่ก็คงทางแบบนี้ก็ค่อยค่อยหาหายากขึ้นแล้วนะในเมืองไทยนะแต่ถ้าเราพิจารณาโดยดีโอเราก็แค่เป็นคนที่เดินผ่านนะนั่นอันทีได้ผ่านครั้งหนึ่ง แต่ชาวบ้านเองเขาอยู่กับที่นี่นะเอีนะเป็นประจํานะเขาก็ต้องใช้ทางเส้นนี้เหมือนกับรเรานะหรือถ้าคิดถึงสมัยก่อนนะรุ่น บ, นบนรรบรรพบุรุษเขาที่มาบุกเบิกสร้างบ้านที่นี่คงยิ่งลําบากกว่านี้นะถนนก็คงยังไม่ค่อยดีทางก็คงลําบากกว่านี้นะ เขาก็ยังอยู่กันได้นะถ้าเราคิดแบบนี้นะเราก็จะมีคล้ายๆเออก็ยังดีนะเรายังมีทางให้ได้เดินแม้จะขึ้นเขาลงห้วยบ้างแต่ก็ไม่ต้องไปบุกป่าฝ่าดงที่ไหนออแต่ก็ก็ให้เราพิจารณาแบบนี้ด้วยมันจะได้เกิดความไม่ท้อใจนะแต่ถ้าเราคิด ในแง่รบ โ, โอ้ทำไมมันไกลเกินเมื่อในจะถึงเขามันสูงเกินอะนะถ้าเราคิดแบบนี้มันจะเกิดการคล้ายๆบั่นทอนกำลังใจของเรานะแต่ถ้าเราจะคิดก็คิดในแง่เอ อ, อชาวบ้านเขายังเขายังเดินได้นะชาวเขาเขาก็ยังอยู่กันได้นะ ถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะเกิดกำลังใจหรือถ้าใครแบบไม่ต้องคิดอะไรเลย <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะหน้าที่เราคือเดินอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรนะมีทางให้เราไปแล้วก็เดินนะอยู่แต่กับก้าวเท้าที่เราเดินแต่ละก้าวก็พอนะ มันจะไกลขนาดไหนก็ไม่ต้องมีคิดอีกสามกิโลสี่กิโลก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วก็เดินไปทีละก้าวเดินไปทีละก้าวนะมันก็จะขึ้นเขาจะลงน้าเนะี่ยจะถึงเมื่อไหร่ก็ถ้าใจเราอยู่กับการเดินทีละก้าวนะมันก็ไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆนะนะถ้าเราทําแบบนี้ได้นะแล้วนกะ็ไม่ต้องคิดอะไร นะถ้าเกิดความคิดที่บันทอนจิตใจขึ้นมาก็ก็ตัดมนันทันทะีในเมื่อเราตัดสินใจมาเดินทางตรงนี้แล้วนะถอยไม่ไดนะ้มีแต่เดินไปข้างหน้าเนะดินไปข้างหน้าจะเจออะไรก็เป็นเรื่องของมันนะแต่ให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันในการเดินแต่ละก้าวเช่นนี้นะดองฝึกตัวเน้นนะ ทำไงใจมันคิดนะรู้ทันมันนะแล้วก็วางความคิดนะกลับมาอยู่กับการเดินนะกลับมาอยู่กับเส้นทางที่เราผ่านนะเราหรือถ้าที่คิดก็คิดหนึ่งเชิงบวกนะคิดในเชิงบวกเนะี่ยคิดถึงคนที่เขาเหนื่อยกว่าเรานะคิดถึงความลาบากที่เขามีมากกว่าเรา หรือทีเราก็คิดขอบคุณนะเดินผ่านต้นไม้นะก็ขอบคุณต้นไม้ที่ให้ร่มเงาทําให้มันไม่ร้อนนะเดินผ่านนะบางคนไปคิดแง่ลบต้องดูยน้ําเปียกเ ท, ท้าเปียกรองเท้าเปียกเนะคิดแบบนั้นที่จริงถ้าเรามอ ง, งอีกเดียเย็นสบายดีนเะท้าเย็นสบาย เอาควักน้ำมาลูบใบหน้าเอามาดื่มเนี่ยก็ยิ่งสดชื่นขึ้นมาเลยเนี่ยสบายขึ้นมานถ้ามองแบบนี้นะอมันก็สบายได้น้ำเย็นเย็นมาลูบหน้านะได้น้ำใสใสมาล้างเท้านะนอันนี้ก็เป็นความสนุกอีกแบบห น, นึ่งนะในการเดินทางเนี่ยเน อันนี้อาจจะเป็นแค่วันที่สองเนาะในการเริ่มต้นเดินทางของเราเนยวันข้างหน้าจะเจออะไรก็ไม่ต้องไปคิดน <c> ะ <oughs> ให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะขก็พอนะ <c oughs> จะเจออะไรก็เป็นเรื่อง <c oughs> เป็นเรื่องของอนาคตนะ <c oughs> แต่ถ้าใจเราอยู่กับการเดินแต่ละก้าวแต่ละกนะ้าวเนี่ยใจเราจะพบกับ มันมันมีความสงบอยู่ในนั้นนะมันมีความสบายอยู่ในนั้นนะมาเป็นความสุขภายในนะแม้ร่างกายมันจะเหนื่อยมันจะหนักนะมันจะทุกข์แต่ใจเราก็ยังสามารถเออมีความสงบนีมีความมั่นคงนี่มีความสุขนะไปในใจลองเดิน เราก็สัมผัสกับตรงนี้นะที่จริงมันไม่ได้หานะที่จริงมันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วแต่พอเมื่ อ, อไรที่เราฟุ้งซ่านคิดร่องรอยไปทางอื่นนะตีโฟีพายเนะี่ยนะเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันทุกข์แต่ถ้าเราเกีงแค่กลับมาอยู่นะกับการเดินก็ดีนะหรือบางทีขึ้นเขาก็กําหนดลม หายใจช่วยก็ดีนะพอเรากลับมาอยู่กับตัวเราได้จริงๆนะใจเราจะนิ่งใจจะไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นนะพอใจมันนิ่งใจอยู่กับตัวเองนะ่มันจะเห็นว่าเออที่จริงความนิ่งกับความสงบนี่มันก็คือตัวเดียวกันนะความสุข<ม>ก็เกิดจากความที่เรามันนิ่งที่สงบที่ไม่ฟุ้งซ่านนี่เองนะ S <S เราก็สัมผัสตอนนั้นนะการเดินมันก็จะเป็นเดินเหมือนลื่นดมไปในตัวนะเข้าไมหรือเราเดินตอนเย็นๆนะกระเป๋าก yeah. okay. so ็เบาขึ yeah. so so far, ้นเนื hmm. ้อตัวก็เบาขึ้นนะเดินตัวฟิวกันได้นะเดินถือว่าเดินเข้าใจอยากจะไปชิเรวเร็ว แต่มาเาอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเราชินเลยนะกระเป๋ามันแบกมาหลายชั่วโมงแล้วนะเท้าก็ก้าวมาหลายชั่วโมงแล้วนะแต่มันก็จะสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้หนักเหมือนตอนเช้าอ่า <c oughs> มันรู้สึกเบาขึ้นนะเดินได้คล่องตัวขึ้นนะที่จริงก็แบบนี้นะมันเป็นความไม่เที่ยงนะเออกระเป๋าก็ใบเท่าเดิมนะ แต่ความรู้สึกหนักความรู้สึกเบามันต่างกันขาก็ตัวเราเองก็น้ำหนักก็เท่าเดิมอะไะอาจจะลดลงนิดนึงถ้าเสียเงื่อนะแต่ก็ทำไมตอนเช้ามันหนักตอนเย็นมันเบาไนะม่านะมอาจจะเพราะว่าเราชินเสียแล้วนะเราคิดว่ามันเออมันก็ชินเสียแล้วนะ ในของแบบนี้นะก <Okay. S 1> ินเสร็จแล้วในการที่มันเดินทางมาไ ก, กนะลเราก็สามารถเดินได้ตัวฟิวนะอย่วันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยวิชาเหมือนเมื่อวานสักหน่อยนะก็ทางก็คงทางดอยนะทางดอยไม่ใช่ทางราบนะก็จะมีขึ้นเขามีลงห้วยสนอ แต่ก็คงไม่มากเท่ากับเมื่อวานนะเยนะคงไม่มากเท่ากับเมื่อวานนะเพราะว่าเขตที่เราอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นชาวกะเหรี่ยงนะก็ชาวกะเหรี่ยงก็จะชอบอยู่ตามป่าตามเขานะอืมแล้วก็ชอบอยู่ดื่มน้ํานะอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกนะแต่เขาก็ดีนะก็มีคนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอะ บางบ้านเขาก็าจจะมีศรัทธาใ น, ในคิธศาสนานะแต่แตก่อนชาวเขาส่วนใหญ่นับถือผี น, ะนับถือผีนะเชื่อผีบูชาผีนะเอาเอาผีเป็นที่พึ่งนะหรือว่าก็เพราะว่าอะไรเพราะเขาอยู่กับธรรมชาตินะ่ะฝนตกน้ำท่วมนะ หรือว่าหน้าแรงต่างๆไม่รู้จะพึ่งใครนะก็ต้องพึ่งผีพึ่งเทวดาให้ช่วยนะเพราะว่าใดเพราะว่าเขาทำมาหากินนะหรือว่าอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เนาะถ้าธรรมชาติแปรปรวนเขาก็ไม่รู้จะกำหนดอย่างไรนะก็ต้องอาศัยผีอาศัยเทวดาเป็นตัวช่วย อันนั้นก็เป็นความเชื่อในโบราณ น, นะหรืออาจจะมีถือกันบ้างในบางคนนะในบางส่วนแต่ส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เราอย่างน้อยเขาก็ไม่บุกรุกทำลายธรรมาชาติมากนะนอกจากบางเผ่านะเพราะว่า อ, อะไรพอเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักอย่างนึงเนี่ยนะนะเราก็จะไม่เบียดเบียน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสถิตอยู่ในธรรมชาตินะรรแต่ถ้าเรามีการเสริมนะนับถืออย่างเช่นพระพุทธเจ้านะอย่างน้อยละนะที่พึ่งภายนอกเราอาจจะพึ่งอย่างอื่นนะแต่ที่พึ่งภายในใจของเราเนี่ยเราต้องพึ่งนะเราก็ต้องพึ่งธรรมะนะพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งการภาวนาของเราเนาะ บางทีเราอาจจะพึ่งคนอื่นได้นะในบางส่ว น, นคนอื่นจะช่วยเราได้บางส่วนแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยเราพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเอาสติเอาปัญญาเนี่ยเป็นที่พึ่งให้มากที่สุดนะเมื่อไหร่ที่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทุกข์นะกลับมาหาสติหาสมาธิหาปัญญาให้ได้เนาะ ถ้าเรากลับมาตรงนี้ได้เนี่ยเราจะมีที่พึ่งนน เ, เราจะเดินไปแล้วเราจะเห็นว่าที่จริงที่พึ่งที่แท้จริงนะเนี่ยคือธรรมะนี่เองเนาะกายบางทีเราเหนื่อยบางทียังมีคนพอช่วยได้กายไม่สบายยังมีอยู่ยารักษาได้แต่ใจที่ทุกข์ใจที่เหนื่อยเนี่ย ก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นที่พึ่งจริงๆนะเนี่ยเราก็มาทดสอบดูบางทีในช่วงที่มันไม่เหนื่อยไม่ทุกข์มากๆนะเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็ไปได้เรื่อยๆนะแต่ช่วงที่เจอความเหนื่อยความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยเนี่ยแหละนะมันจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละ ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงเท่ากับใจของเราขามันจะเดินไหวก็อยู่ที่ใจนะใจไม่ไหวขาก็ไม่ไหวนะจริงๆนะถ้าใจเราไหวเนี่ยขามันก็ไปไหวแต่บางทีก็ต้องรู้จักพักบ้างนะแต่พักก็ไม่ใช่พักเพื่อเพื่อเพื่อหยุด คือพักแล้วก็ท้อไปแต่เราพักกายเข้าบ้างเหมือนกับรถเนาะรถยนเวลาขับนานๆเครื่องมันก็ร้อนนะความร้อนของเครื่องยนต์มันก็มีนะร่างกายเราเองก็เหมือนกันเดินนานๆก็ต้องมีความเหนื่อยความราก็ก็ต้องรู้จักพักบ้างนะเหมือนรถที่ขับนานๆก็ต้องพักนะให้เครื่องมันเย็นลงบ้าง ร่างกายเราก็หยุดพักบ้างเนพะื่อให้ร่างกายมันสดชื่นขึ้นนะไม่เหนื่อยล้าเกินไป <c oughs> แต่ถ้าใจเราพร้อมใจเราสู้นะก็พักแล้วก็พอสมควรก็เดินต่อนะ <c oughs> เดินต่อเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เราก็ทำแบบนี้นะ <c oughs> การเดินมันก็จะไม่ได้เราอยากจะเดินเหมือนบางคนมาเดินทาไมเนาะเดินหาทุกข์ เดินทำให้ตัวเองทุกข์ทำไมนะเดินให้เหนื่อยทำไม <c oughs> แต่เราเดินเพื่อให้เห็นทุกข์นะไม่ใช่เดินหาทุกข์นะ <c oughs> ทุกข์อ่ะมันไม่ต้องหามันมีอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่แต่ก่อนทุกข์มันไม่มากไม่ชัดเท่านี้นะแต่เมื่อทุกข์มันชัดเนะี่ยเราจะได้เห็นมันชัดข <c oughs> ึ้นเดินเพื่อเห็นทุกข์นะเดินเพื่อเรียนรู้ศึกษาทุกข์ ดูความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายมันเป็นเหตุเพราะอะไรดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเหตุเพราะอะไรเนี่ยเราศึกษาตรงนี้นะเราเดินไปก็เหมือนเรียนรู้ไปด้วยนะเรียนศึกษาไปด้วยจำไว้นะเรามาเรียนรู้ทุกมาศึกษาทุกแล้วเราจะเข้าใจเหตุของความทุกข์ เราก็จะละเหตุของความทุกข์ได้อันนี้ยคือการที่เราเดินทางในอริยมรรคนะการเดินทุดงนะการจะด้ว ก, การปฏิบัติธรรมที่จริงก็คือถ้าเปรียบเที่ยวก็คือการเดินทางนะนนเป็นการเดินทางจิตนะนะนแต่เราก็ประกอบกับการเดินทางกายด้วยนะจิตให้เราเดินทางมรรคอยู่เสมอนะ มักคืออะไรถ้าจะพูดย่อ ย, อยอคือสินสมาธิปัญญาเนาะเรามีสินนะรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้ปกติเนะี่ยเรีว่ามีสินนะกายไม่ทำบาปวาจาไม่ทำบาปนะมีสมาธิมีปัญญาก็คือใจ น, นะ ใจที่มั่นคงนะใจที่ไม่ฟุ้งซ่านใจที่มีความรู้ตัวนะแล้วมันจะเดินไปเรื่อมันจะค่อยๆเห็นการเกิดการดับของรูปของนามนะจะเข้าใจไ้ท่ามันแยกนะแยกธาตุแยกคันได้นะมันก็จะเห็นเป็นเพียงแค่ทิ่ง่าต่างก็เป็นเพียงแค่อาการนะ อาการก็ทุกอย่างก็เป็นแค่เกิดแล้วก็ดับนะไม่มีอะไรมากกว่านี้นะมันเป็นเพียงแค่อาการเป็นเพียงแค่สภาวะนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะมันเป็นเพียงแค่อาการเท่านั้นนะเนี่ยถ้าเราเดินทางแบบนี้นะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานะเราก็จะถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากนะในการที่เรา ออกบวชก็ดีหรือเราเป็นผู้ที่มาจาริกก็ดีเนาะนีะ่ก็จะได้ประโยชน์อย่างมากไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราได้มาเดินที่ไม่ห้างสอ น, นได้เดินกี่กิโลเมตรเนี่ยอันนั้นยังไม่สาคัญนะนีะนะ่ชาวเขาเขาเดินมากกว่าเราไม่รู้กี่เท่านะคือคนสมัยโบราณไม่มีรถไม่มีรานี่ชีวิตมีแต่การเดินเท่านั้นเนี่ยอันนั้นยังไม่สำคัญน ะ, นะ บางทีเขาเดินไกลแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมนะใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเราเดินทางไกลไปด้วยเนะี่ย <c oughs> ใจเราเดินทางมักไปด้วยเนะ <c oughs> ี่ยอันนี้โอกาสที่เราจะเข้าถึงธรรมะนะ <c oughs> ก็ย่อม <c oughs> มีมากนะ <c oughs> นก็ฝากไว้นะ <c oughs>